ท่านสาธุทธบริษัททั้งยสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของวิธุระข้ะวิธุระบัณฑิตตอนนี้ต้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อปุณณะ ก, กยักษ์ได้รับฟังแล้วก็สั่งเรียกให้คนรรมมาสินพบขึ้นไปขับขี่ แป็นว่าตอนที่ก็พบแล้วก็ได้ฟังคำพระเจ้าทานัญชัยโกรพยยาว่าเวลานิวิทุระบันดิตอยู่ที่เมืองของพระเจ้าโกรพยยาถ้าต้องการยาได้รสาวต้องไปเอาวิทุระบันดิตที่เมือง น, นั้นมาสาหรับปุณณกยะได้ฟังยักษ์ได้ฟังแล้วก็เรียกคนใช้ยนำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่ตรงไปยาสนักของประเทศทเวสวรร์ทันทีเพื่อจะไปขออนุญาตท่นทานเทวสวรร์แต่ว่าเวลาขนาดนั้นเวสวรร์ที่เป็นเจ้านายกำลังตัดสินคดีเรื่องการแย่งวีมานกันระหว่างเทวดาสององค์พุณละกยักษ์ได้ฟังรู้ว่าใครจะชนะ ยังได้ย่องเข้าไปยืนข้างๆคนที่เจ็ด จ, จะชนะพอท่านท้าวเวทวันตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะเข้าวิมานั้นได้แล้วก็จงใช้คำวิวาจาว่าเจ้าจงไปปุนณกยักก็ถือว่าได้รับอนุญาตจึงไี้รีบขึ้นหลังม้าแล้วก็เหาะไปทันที พลางก็คิดใขค่ควรอยู่ในใจว่าจะเช่ามายอย่างไรดีนะวิธูรบันดิตคนนี้เป็นเหมือนดุ จ, จนหนึ่งเป็นหนึ่งว่าแก้วมณีของพระเจ้าโกรพยะและก็เป็นของคนทั้งชมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยะเนี่ยโปรดปรานมากถ้าเราจะท้าพ น, นันเล่นสกาก็าจะดี และถ้าเราชนะเราก็จะจับอวิทธรบันิตไปก็คงจะได้เราต้องหาวิธีท้าพนันเดนสกากันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าบนันดินย่อมมีความปรารถนาแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมณีนี้มาลอดคงจะสาเร็จเพราะแก้วมณีนี้ <c oughs> เพราะว่าแก้วมณีนี้อยู่ที่ระหว่าง วิบูรบันพศใกล้กรุงได้จะคือเมื่อคิดเะนั้นแล้วจึงในชักม้าบ่ายตรงหน้าไปที่วิบูรบันพศเที่ยวส่องแสวงหาแกว้วมณีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจสายฟ้านแลบก็รู้ดีวา่านั่นเป็นแสงของแกว้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมา เจ้ายักษ์กุมพี๋ที่เฝ้าอยู่บนยอดขัดขวางทันทีที่มีคนเฝ้าอยู่นะยักษ์เข้าเฝ้า <c oughs> ยักก็คือเทวดานี่เขาเฝ้าไว้ก็เพราะว่าถ้าใครเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิขึ้นมาเขาจะต้องนำแก้วมณีนี้ไปให้ <c oughs> เมื่อยักษ์กลมพีรยก็มาขัดขวาง <c oughs> เหลือเห็นสายตาของปุญณกะยักษ์เข้าก็ตกใจ พว่าปุณณกยักษ์นี่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เมลิทธ์มากเมื่อตกใจตัวรีบงานงกรีบหนีเขาไปแอบอยู่ในซอกเขาเขานี่เขาเรียกว่าเขาจักรวาลสําหรับว่าปุณณกยักษ์เมื่อได้แก้วตามความปรารถนาแล้วก็รีบชักม้าตรงไปยังเมืองอินทรปัตนะคอ <c oughs> ในขณะนั้นพระราชาต่างๆจากร้อยเอ็ด ประเทศกำลังชุมนุมกันอยู่ท่านปุนกยกยักษ์ยในแปลงเพศเป็นมานพถ้าไปท้าเล่นสึกกาพนันกันไม่ว่าจะเป็นพระราอ ง, องดายก็ได้เั่นั้นไม่ว่าใครท้าเล่นได้หมดไอเจ้ากกรัพยะทอดเป็นเนตม่เห็นมานพมาท้าเล่นการพนันยิงถามว่าท่านเป็นใครยิงกล้าหันอย่างนี้ อันปุณณะกยะกกตะว่ า, ข, าข้าวิชข้าพระองค์เป็นมานพที่ต้องการจะเล่นส ก, กาท้าเป็นการพนันเท่านั้นพเจ้าค่ะจะเป็นใครจะไม่สําคัญและต้องการจะเล่นการพนันในเรื่องของส ก, กาไอเจ้าโกรพยะ จ, จะในถามว่าเจ้านํามีอะไรมาให้เราถ้าเราชนะ ปุณณะกยักก็ตอบว่าข้าพาเจ้ามีแก้ววันีวิเศษอันเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็มีม้าวิเศษซึ่งสามารถจะชนะไพลีได้ทั่พวพิภพพระเจ้าค่ะพระเจ้าโกรพย aja จึง ต, ตอบว่าไหนไหนไหนเอามาดูกันก่อนสิสิ่งที่เจ้าบอกนะี่ยเราเชื่อไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นแก้ววันีของเจ้าแล้วมันอยู่ตรงไหน วันนั้นก็ยากจะได้ตอบว่าแก้วมณีของเรามีอยู่มากมายม้าชานัยที่มีกําลังเร็วดังลมโกรธก็มีอยู่แล้วม่ใช่ว่ามีไม่ใช่น้อยแก้วมณีของก บ, บเจ้าดวงหนึ่งจับม้าตัวหนึ่งจะมีความหมายอะไรสำหรับเราเนี่ยถ้ว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่น่าจะตรัสดังนั้นเลย มาก็เข้าไปเจ้าตัวเดียวกับมาม้าพันตัวของพระองค์อุณ น, น ก, กยักษ์ก็หมายความว่าไอ้มาตัวเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่าม้าพันตัวของพระองค์อุณ น, น ก, กยักษ์ทูลอย่างมั่นใจขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูตอนก่อนเถิดพระเจ้าค่ะว่าแล้วก็ขับมาของตนอ่ะ อ่ะขับม้าเขาตนให้ปีงขึ้นไปอยู่บนกำแพงวิ่งรอบพระนครความเร็วของม้าเนี่ยทำให้ปรากฏแก่สายตาเหมือนกับม้าพันตัวโอ้โหเอาคอจดกันเรียงรอบพระนครเมื่อปุ่นกยักเร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองเห็นเหมือนกับว่าม้าและคนคงเห็นแต่ผ้าน่ะอทีนี้มองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคน คือก็มีลูกน้องขี่ขับเมื่อเร่งให้เร็วเข้าก็เลยมองไม่เห็นมาทั้งคนเพราะความเร็วคงเห็นแต่ผ้าสีแดงที่คาดพงบุนักยักษปรากฏเมื่อผ้าผาื้นเดียวอยู่รอบพนครนันแล้วปุณณกยักษ์ก็หยุดลงจากหลังมาและกล่าวทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วมาแล้วหร่อยัง ราชาก็ตัดว่าเออมนพเราเห็นแล้วแต่ต่อไปขอจงทอดประเนศดดูอีกว่าม้าของข้าพระองค์นี้จะมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดอุณนกยักษ์กราบทูลแล้วก็ขับมาให้วิ่งข้ามสระใหญ่ในพระราชวิยาณความเร็วของมา้านั้นก็ปรากฏว่าปลายจีบมีทันจะเปียกน้ำในสระเลย อยากนั้นก็ควบไปอีกไม่ก็เล่นม้าทิพมา้าเทวดาเนี่ยบรกคุณนิดอย่ากนั้นก็ให้ม้าวิ่งไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าวิ่งผ่านมาหยุดอยู่บนฝ่ามือท่านแล้วก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนม้าอย่างนี้ควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ราชาก็ตัดว่าเป็นมากแก้วได้ดีได้แน่นอนพ่อมานกเขาเยังได้กล่าวทูลว่าข้าแต่มหาราชสำหรับมากแก้วเพียงพอแล้วเท่านี้ก่อนขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอนุภาพของแก้วมณีนี้บ้างเมื่อทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีมั่งเป็นรูปบุรุษมั่งจำนวนมาก เป็นหมูเนื้อบ้างเป็นหมูนกบ้างเป็นพญานากบ้างเป็นพญาครุดบ้างเป็นกองช้างบ้างเป็นกองรถบ้างเป็นกองมาบ้างเป็นกองเดินเท้าบ้างเป็นกองช้างบ้างกรมราชองครักษ์บ้างกรมมาบ้างกรมรถบ้างกรมคนเดินเท้าบ้างเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาค้าสูงประกอบไปเรียป้อมเชิงเทินหน้าเกรงขาม มีถนนหนทางสามแพร่งสี่แพ่งมีหมู่บ้านด้านตลาด <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างวันนะมีการเล่นดนตรีมีการเล่นมรสศพต่างๆมีมวยปล้ำมีรำนักเราะมีนักแรบนักร้องมีบุรุษรูปงามกําลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกาลังล่อลวงชาย มีสวนสัตว์ประกอบได้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีเสือเสือโครง่งเสือดาวแรดโคสุกรและมั่งอีกเก้งกวางละมัดชมดแมวป่ากระต่ายกระแตมีแม่น้ำสวยงาม <c oughs> มีฝูงปลานาน า, นาพันธ์มีหิมวันตะบันพดซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่ากินนอน มีประสาทราชมนเทียนรุ่งเรืองสุไสมีเหล่าเทพกัญญาทรงโฉมีลายแวบร้อนเหล่าเทพประบุติเป็นต้นนี่แกาวมณีเป็ น, นปอนุภาพของแก้วมณีนน <c oughs> หมายความมีแก้วมณีอย่างนี้แล้วก็จะนั้นิรมิตรอะไรก็ได้ตามชอบใจแล้วก็ยานิรมิตรอันได้มากไปกว่านี้ เมื่อปุณณะกยักแสดงพิธีการแก้วันีอันแสนยมหาศิจันอย่างนี้แล้วยังได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมนราชนบุคคลใดชนะข้าพเจ้าด้วยสการข้าพเจ้าจะยกแก้ววันีโดูนี้ให้เป็นค่าแห่งการพนันถ้าพระองค์ชนะข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะมีแก้วันีนี้ถวายแต่แต่ว่าถ้าข้าชั้เจ้าชนะ ข้าพระองค์จะขอพระราชทานอะไรจะขอพระราชทานอะไรพระองค์จะต้องให้อืมหมายความว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้มาด้วยเขาให้แก้วมั น, นีด้วยแต่ว่าเขาถ้าเขาชนะเขาต้องการอะไรที่พระองค์มีอยู่พระองค์จะต้องให้ ท่านทั้งหลายเ่อรับฟังฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าแก้วมณีนี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าเป็นแก้วสารพัดนึกไม่แต่การสร้างเมืองสร้างวังทั้งถนนห้นทางก็ไม่ต้องสร้างดีคนใช้แก้วมณีเป็นอนุภาพบันดาลให้ปรากฏอันนี้ความจริงถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพ <c oughs> ระเจ้าจากักรพรรดิจะมีของดีหลายอย่างคือมีเกือกแก้วมีแก้วมณีมีประคันแก้ว มีช่างแก้วมากแก้วคุค้นคลังแก้วค้นพ้นแก้วแล้วก็นางแก้วคําว่าแก้วนี่หมายว่าดีเป็นไอ้ว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปมานั่งบรรยายเรื่องความเป็นพระเจ้ากจาัจจกพัฒมันจะยุ่งเมื่อพระเจ้าโกรพยะจึงได้กลับกล่าวต่อไปว่าดูก่อนมานกยกเว้นตัวเราเสียซเซเวกะฉัดและากามเอสี เมื่อไม่คือหนึ่งเราสองสวิกฉชัตคือความเป็นพระราชาสองพันยาคือเอกอัครมเสีนอกจากนั้นถ้าเราแพ้เราจะยกให้เป็นข้าพนันของท่านบุญนักยักษ์ได้ฟังว่าถ้ากันนั้นก็ทรงชักไม้อ่าท่ากันนั่นก็อย่าทรงซักชักช้าอยู่เลยพระเจ้าค่ะมาเล่นการพนันกันเถิด จากนั้นการขันแข่งขันเสกการะหว่างพระเจ้าโกรพยะกับมนุษย์กับมนุษย์น้อยคือปุนญกยักษ์ก็เริ่มขึ้นทำกลางพระราชาร้ออเกและก็มหาชนเป็นจนวนมาก ร, ราชาเป็นฝ่ายทอดสกกาก่อนพ <c oughs> ระองค์ทรงหยิบลูกเสกกาขึ้นมาแล้วก็ทรงขับเพลงขับเพลงเสกการและนึกถึง อารักขาอารุอรักกเทวดาแต่เทบิดาตนหนึ่งให้ช่วยมีชัยชนะแล้วก็โยนลูกสกาขึ้นไปบรอากาศ ด, ด้วยอานุภาพข้าปรนนกายักษ์ลูกเซกาขึ้นไปต่ปาสกาขึ้นแต้มแพ้แต่อรักกเทวดาช่วยให้พระองค์รู้ทันให้พระองค์รู้ทันแล้วก็รีก รีบรับอรุศกาไว้ได้จิงได้โยนเขาไปใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มที่แพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกอุนนักยักแปรใจ จ, จิงเพ่งมองดูว่านี่มาอะไรกันหนอก็เห็นว่ามีอรุอารักเทวดาอารัคขาอารักเทวดากลัวตัวสันรีบหนีไปสุดเขาจักรวนัน นี่แสดงว่าปุ น, นกยักษ์น่ะเขาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าพอพระราชาโทศกาขัณฑิสามก็ตกลมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มก็แพ้พลิกกลอกขึ้นมาทันทีให้แต้มแพ้พลโลท่านปุนนกยักษ์ก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว <c oughs> เสียงปุนณกยักษ์ดังกล้องไปโทษเทวี ราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างก็ร้องอึ่งกันหนึ่งด้วยความเสียใจที่พระเจ้าโกรพยะต้องเสียประไทยเป็นกําลังพุนกยักษเป็นผู้ชนะจึงได้กล่าวตามกฎของการเล่นการสึกาว่ากีฬาว่าท่านเป็นจอมแห่งนรชนเราทั้งสองพนังกันด้วยส ก, กาชนนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้และชนะเป็นธรรมดา บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะขอจงพระเจ้าทานทรัพย์มีค่านั้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่าสำหรับพระเจ้าโกราิยะจึงถามว่าดูก่อนมนุษย์ทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช่างมา้าโคกระบือแก้วแหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ของเรา ท่านยังขงนเอาไปตามปรารถนาเถิดฝ่ายปุณณกยักษ์จึงได้กล่าวว่าทรัพย์สินสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ต้องการเลยขอข้าพเจ้าขอพระราชทานมิทุรบัณฑิตแต่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้ยุ่งพระเจ้าก็รับพระยะจึงได้ตอบว่าดูก่อนมานกมิทุรบัณฑิตนั้นเท่ากับตัวของเรา เราได้กล่าวแล้วว่านอกจากตัวเราสเวกชัดและอาการนมเหสียกให้ท่านได้ทนนะทางนั้นสาหรับวิทธุรบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเราแต่ผู้เดียวยังเป็นดีพึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแกงที่เล่นลับและเป็นดวงประทีปอันหาค่ามีได้ท่านแยกเรียบอิทธุรบัณฑิตเป็นทรัพย์ภายนอกก็หาไม่ได้หาได้ใหม่ เขาเป็นทรัพภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองนั่นทีเดียวสาหรับท่านปุณณ ก, กยักษ์ไม่ใช่นักพูดจึงไม่สามารถจะโต้ตอบข้อขัดแย้งคำพูดของประราชาได้ในที่สุดริงกล่าวว่าถ้าเราจะโต้เถียงกันก็เสียเวลาปเปล่า ทางที่ดีต้องให้วิธุระบันดิตนั่นแหละผู้ตัดสินก็ <c oughs> รชาชัยเ็งชอบโดยนึกกลาว่าถูกแล้วพ่อมานกทูกแล้วเป็นอ น, นว่าเมื่อเจ้าโกรพยะาตัดแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมสภา <c oughs> ให้หาวิธุระบันดิตมาทันทีให้ไปตามมา <c oughs> สำหรับท่านปุณณกยักษ์ถามวิทรบัฑิตว่ากิติศักของท่านเนี่โด่งดังนักว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดเท็จแม้แต่เพื่อชีวิตวันนี้เราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าคำเล่าลือนั่นจะเป็นความจริงเพียงใดนี่นักปราดเช่นกั น, <c oughs> สนแสดงว่าปุณณกยักษ์นี่ก็เป็นนักปราดท่าน มิทูละบัณฑิตจีเน้บอกว่าเอาเชิญท่านถามตามตามสบ า, ายเถอะท่านจะถามยังไงก็เชิญถามว <c oughs> ุณนกกะกยากจีเนพูดว่าท่านเป็นทายของพระราชาหรือเสมอหรือว่าสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระบุิญาติของพระราชา <c oughs> อา่าแกถอนตาตอบตามนี้ดิแต่ถามแบบนี้จะหยุ่งฉลาดมาก <c oughs> ท่านวีทุรบัณฑิตจี้ตอบว่าดูก่อนมนกเราเป็นทายของพระราชาโดยกําเนิดทีเดียวแต่พระราชาจะมีอันเป็นอย่างไรก็ไปก็ตามเราจะต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชาทานข้าพเจ้าเป็นข้าพานันแก่ท่านก็พึงพระราชาทานได้โดยธรรมสําหรับท่านปุณณกยักตบมือโหรา กล่าวด้วยความดีใจว่าวันนี้เราชนะสองครั้งวิทูรบัณฑิตได้ความแจมกแจมแจ้งแกเราแล้วแต่พระราชามิได้ตั้งอยู่ในธรรมเรายอมยกวิธุรบัณฑิตไม่ยอมยกวิธุรบัณฑิตให้แกเราเนี่ยนะพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโทรมนัดว่าวิทุรบัณฑิต นี่ไม่เห็นแก่เราผู้มีคุณอุปการะบ้างเลยกลับเห็นแก่มานพซึ่งพุ่งจะมาพบกันกับเดี๋ยวเดียวนั่นเองนี่นก็ทรงพิโรธยิ่งได้แต่แกปุล น, นกกยักว่าถ้าวิธุรบัณฑิตกล่าวเช่นนั้นท่านก็จงเอาไปเถิดแต่พอตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงดำริดได้ว่าถ้ามานพนี้เอาวิธุรบัณฑิตไปเสร็จแล้ว ก็ยากนักที่จะได้ฟังธรรมของเขาอีกเถีงอย่างไรเราก็ควรจะให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วพราวก่อน <c oughs> พอจะได้ถามธรรมะบางอย่างหนูบ้างจนินดยตัด ว, ว่าท่านวิทรูรมณิีเราใคร่จะได้ฟังธรรมเขาทั้งอีกขอเชิญท่า น, สนแสดงธรรมแกเราก่อนเมื่อวิทรมณีพร้อมแล้วจนินัยตัดถามกระวาสธรรมเป็นใจความว่า ท่านมีธุระผู้เป็นครหอขัดอยู่ครองเรือนจะประพฤติอย่างไรจรึงจะปลอดโปลงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคําสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปจะไม่เศร้าโศกฟังแล้วก็จําดีนะท่านมีธุระบัณฑิตก็ตอบว่าผู้ครองเรือน ไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพันยาเออจำให้ดีนะข้อนี้นะว่าผู้ครองเรือนไม่คบหญิงไม่ควร ค, ร บ, ห ค, วรครบหญิงสาธารณะเป็นพันยาและก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวดศศีนประพฤตตามทำนองครองธักดาวงเจ้กูลให้วัฒนาทาวรน ไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลเป็นยุติธรรมไม่แข่งกันด้านต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิงได้ความถ น, นงประกอบแต่กิจที่เป็นสุดจริตธรรมพูดจาแต่ถ้อยคำที่น่าฟังก่อนให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสงครให้ความช่วยเหลือทั้งการงานทั้งทางการงานทางการเงิน เท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูได้สามารถสมอสมัยคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเมียและกัปฏิบัติบำรุงสมณนะพราหมณ์ีนิตรที่เป็นนิว่าถ้าเป็นคราว่าแต่คนปฏิบัติอย่างนี้แต่ผู้ครองเรือยงคนปฏิบัติอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดปลงเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดี ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีคำสัตย์ไอ้ก็พระเจ้ไม่มีมีคำสัตว์แล้ะจะต้องไม่เศร้าโศกแต่ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ภหน้าโอ้โหเสียงไม่แห้งธรรมะของท่านไพเราะจริงๆ <c oughs> น่าฟังนะสําหรับท่านผู้รับฟังจะไม่ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเทศนี่ถ้าสงสัยแล้วก็เข้ามีไว้ต้องการอยากจะฟังละเอียดไปเก็บไปสมบัติก็ได้ เมื่อวิทุระบัณฑิตสแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมานะถวายความเคารพแด่พระราชาพระราชาพร้อมไปได้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดเสด็จกลับเข้าสู่พระราชในเวทวิธุระบัณฑิตก็จะไปกลับจะกลับยังเคหายของตนแต่ว่าปุณณกยกัก็กล่าวว่าท่านต้องไปกับขเจ้า เพรว่าพระราชาราชทานท่านแก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนายของท่านท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของท่านวิสัยของบัณฑิตที่แท้จริงย่อมทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนโอ้โห ฝ่ายวิทูรลบันดิกก็ตอบว่าดูก่อนมนกข้อนั้นนะข้าพเจ้าทราบทราบดีอยู่แล้วแต่ว่ขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนศึกษามันก่อนความจริงข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากมายอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้านี้พูดความจริงเป็นประโยชน์แก่ท่านดูโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชา ทำไมท่านด้ตัวข้าพเจ้าโดยความจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่นฉะนั้นข้อนี้ท่านจงรู้ถิดว่าข้าพเจ้ามีคุณแกท่านมากแล้วราะเหตุนั้นท่านยังยับยั้งอยู่ก่อนพอข้าพเจ้าได้สั่งสอนบทพัญญาไว้บ้างขอให้โอกาสกันบ้าง <c oughs> สาหรับปุณณกะยะได้ฟังแล้วก็เห็นจริงคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริง แล้วก็เป็นคนมีคุณกับเรามากทีเดียวแม้หากว่าจะให้เราพักอยู่ก่อนสักเจ็ดวันหรือกึ่งเดือนก็เป็นการสมควรคิดแล้วจึงกล่าวว่าตามใจท่านเถิดท่านผู้เจริญท่านจงสั่งสอนบุตรพัยาของท่านเถิดเพื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วอยู่ของหลังจะได้มีความสุขพูดแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในเรือนของวิธุรบัณฑิตันเอง สำหรับท่านวิทูรบัณดิตได้การต้อนรับแก่ปุณณกยักษ์เป็นอันดีให้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่อันสง่างามเพียบพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงมอบนางบำเรอเร่งมอบนางบำเรอร่างงามดวเจเทพไปกัญญาให้อยู่ปฏิบัตินวดฟันอย่างเพียงพอ มีให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงการพอนรำขับร้องและดนตรีเพื่อขับกล่องให้รื่มรมแล้วตนเองก็ไปหานางอนโนชาผู้เป็นพัญญาแล้วก็เรียกบมตินดาเข้ามาพร้อมกันเมื่อในทุกคนในบ้านของธุรบัณฑิตผู้คนในบ้านของธุรบัณฑิตย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าใจใเมื่อ เขาให้เข้ามาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบีดาด้วยใบหน้าอันนองไม่ได้น้ำตาแม้ธุระบันิตเองก็ทนฝืนซื้อื่นไม่ได้สวมกอดบุทธินดาด้วยความอะไรเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งสติเมื่อได้เมื่อตั้งสติได้แล้วยิงกล่าวว่าพระราชาในพระราชทานตูเราแก่มานกผู้ชนะศกาเพราะการแพ้พนัน เราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้อีกเพียงสามวันเท่านั้นเป็นอันว่าจะสั่งเสียต่อกันไปก็ไม่ไหวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดพอดีมาเรื่องนี้น่าฟังนะน่าฟังที่ไม่มีการแทรกไม่มีการแซงอะไรมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ดังนั้นก็จำเป็นจำใจต้องต้องจากกันก่อนขอบัรดาสาวโกข้อองสมเดษษ็จปชิิาวรผู้มีความคล้ายในธรรมได้โปรดยับยั้งชั่งใจไว้ฟังวันณนาต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนของความสุขสวัสดิพิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี